นอบน้อมพระฤาษีระพุทธพระธรรมระงค์ขออากาศื้นสมอมิตทท่านครับแล้วก็ขอเป็นพรญาติโยมนะไม่ฉีเยญาติโยมทุกคนนะก็สวดธรรมจักรนะมันอิ่มใจนะสวดแ้อิ่มใจไหมฮึฮ <c oughs> เสียงหูหูย ก, ก็ดีเนะสียงไม่ค่อยมีสวดธรรมจักรแล้วรู้สึกอิ่มใจนะอิ่มใจได้ฟังคำสอน ครั้งแรกของพระพุทธเจ้าท่านประกาศออกมาอย่างเรียกว่าศีรษะนาฏเป็นดือก็ว่าได้นะเป็นที่ท่านประกาศอย่างก้องกลางวานไปทั่วทั่วโลกนะไม่ใช่โลกมนุษย์เฉยผมมโลกมารโลกเทวดาโลกอะไรต่างๆก็กระเทือนไปหมดนะธรรมะที่แท้จริงพอประกาศออกไปกระเทือนไปหมดกระเทือนกระเทือนไม่ใช่กระเทือนแผ่นดินนะ บางทีก็บอกว่ามีปาฏิหาริย์แผ่นดินไหวอะไรต่างๆก็ จ, จะมีจริงหรือเปล่านั้นะไม่รู้แต่มันกระเทือนถึงจิตใจคนที่ได้ฟังทำนี่แหละมันกระเทือนลึกเข้าไปถึงจิตใจที่เคยหลงเปลี่ยนไปนจากหลงกลายเป็นรู้ที่เคยอย่างที่ท่านบอกธรรมะเหมือนคล้ายๆของที่มันปิดอยู่ก็งายขึ้นมานของที่ปิดอยู่ก็เปิดออกมาของที่คว่ำก็หักก็งายขึ้ น, นธรรมะถ้าเรา เริ่มเข้าใจมันก็จะเห็นโอ้ไอ้ที่มันมืดอยู่ไม่ใช่มืดเพราะอะไรหรอกมืดเพราะว่าเราดลงเองเหมือนคล้ายๆเราดับตาของเราเองก็แค่ลืมตาขึ้นมาแสงสว่างมันก็อยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วธรรมะมันก็อยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วไอ้ที่เราหลงไปเพราะว่ามันเราดับตาของเราเองนะมีโมหะมาหงมาขวางกั้นนิดนึงธรรมะที่พระเจ้าทป็นประกาศหรในบทได้ก็คือ ท่านไม่ได้สอนสิ่งที่ถูกไว้ก่อนแต่ท่านสอนว่าคนส่วนใหญ่ทําสิ่งที่ผิดอยู่สองทางสิ่งที่ผิดก็คือการที่ไปหมกมุ่นอยู่กับกามกา ม, มสุขนะกามมัสุขก็คือการใช้ชีวิตเสมยความสุขทางกามตามหูจมูกเรื่องกายใจก็ดีนะหรือการเรียกว่าอาจอาจจะไม่ใช่ว่าการใช้ชีวิตเหมือนคนทางโลกแค่นั้นนะแต่การที่เราติดความสุขติดความสบาย แม้จะเป็นพระเป็นชีเป็นคนช่อยู่อในวัดแต่ท่านยังติดความสุขติดความสบายอันนั้นก็คือชีวิตที่เรียกว่าบกมุ่นอยู่กับกามนะบางคนติดที่อยู่อาศัยนะบางคนติดข้าวของเครื่องใช้บางคนติดรสชาติของอาหารอะไรพวกนะี้คือมันไม่ใช่ว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหรืออยู่ในป่าไม่ใช่เป็นข้อที่เรียกว่าเป็นการแบ่งว่าใครติดสุขใครไม่ติดสุข แม้ใช้คีไปอยู่ในปา่าอยู่ในถ้ำแต่ันยัยงติดความสุขความสบายที่เป็นความสุขความสบายจากภายนอกก็ดีความสุขความสบายจากภายในก็ดีอันนั้นแหละเป็นการมาสุขนะกรรมมาสุขมีทั้งภายนอกมีทั้งภายในอันนี้คือสิ่งที่ว่าสุดตรงแผนทางการที่เสพทางการมการมาสุขมือนอย่างพวกเราโยคีคนที่ติดสมาธิต่างๆก็คืออยู่ในสมาธินก็เสวยอารมณ์จากสมาธิอันนั้นแหละก็คือการที่เรา ติดสดโตงไปด้านหนึ่งนะอีกอีกการที่ติดสดโตงในด้านนึ่คือการที่เราทรมานกายทรมานใจด้วยนะบางทีไม่ใช่แค่ทรมานกายนะทรมานกายนี้เราก็เห็นชัดๆอยู่บางคนอดเข้าอดน้ําเพื่อหวังจะบรรลุ ธ, ธรรมอะไนะหรือบางทีทํากายให้ทรมานที่ว่าต้องไปอยู่ที่ลาบากมันถึงจะเข้าใจธรรมะได้แต่จริงการอยู่ในที่ที่ลำบากก็อาจจะช่วยอาจจะมีส่วนเสริมอยู่บ้าง แต่ไม่ใช่ทําไปเพื่อหวังให้เข้าใจธรรมะนะหรือการทรมานใจก็ดีนะการทรมานใจท่านทรมานเช่นถ้าอยากอยากได้อะไรก็เรียกว่าทําอีกด้านหนึ่งนะปฏิเสธไปเลยการทรมานใจหรือว่าการบังคับกดข่มจิตใจนะมีความคิดเกิดขึ้นบังคับกดข่มไม่ให้ความคิดเกิดขึ้นมีกามรมาลาค้าเกิดขึ้นบังคับกดข่ม ไม่ให้กรรมราคะเกิดขึน้นนี้ก็เป็นการกดขม่มนะกดข่มไปมากมานะบางทีหลายคนปฏิบัติทำแบบกดขม่มก็จะอึดอัดก็จะแน่นนะก็จะเครียดนะแต่ถ้าเราเพียงแค่รู้เท่าทันการกดขม่มนะแต่ไม่ทำตามการกดขม่มนะไม่ทำตามความอยากด้วยมาเป็นทางสายกลางพอดีนะทางสายกลางก็คือทางที่ไม่คล้องแวะกับการกดขม่มการบังคับ แล้วก็ไม่คล้องแวะกับการที่เราไปสบถความสุขทางกายหรือทางใจก็ดีมันจะเป็นความเป็นกลางพอดีนะแต่เราปฏิบัติใหม่ๆมันไม่เป็นกลางหรอกเพราะใจิตใจของเรามันมักจะเผวไปทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างนะแต่ถ้าเรารู้ว่าใจเราเผวไปทางซ้ายบ้างไปทางบังคับเผวไปทางที่มันหลงไปทางปล่อยจิตปล่อยใจเกินไปอันนั้นะมันจะกลับมาเป็นตรงกลางพอดี อาตมาชอบเปรียบเทียบเหมือนพราะจตก่อนเคยฝึกว่ายน้ำในรูว่ายน้ำแบบนี้พอแล้วเร า, เราว่ายน้ำในรูนะในรูว่ายน้ำหรือใครเป็นนักวิ่งที่เคยวิ่งแข่งในรูนะพอเราวิ่งออกนอกรูทางซ้ายก็ดีทางขวาก็ดีนะเราจะกลับมาอยู่ตรงกลางพอดีเราจะ เ, ออเราจะวิ่งได้ตรงขึ้ น, นทางสายกลางก็เหมือนกันทางสายกลางไม่ใช่ว่าจิตของเราจะ ตรงแนวอย่างเดียวเดินทางสายกลางได้ตลอดอันนั้นเรียกว่าหาได้ยากนะเราก็ต้องสืบตรงทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างเป็นธรรมดาแต่พอเมื่ อ, อจิตเรารู้ว่าจิตมันสุดตรงไปทางเสพความสุขแล้วไปติดความสุขแล้วไปติดความเบาความสบายแล้วพอรู้ตัวว่าตัวเองเสพความสุขรู้ว่าตัวเองเสพความสบายของใจมันก็จะถอนตัวเองออกมาได้นะหรือบางทีเรารู้ว่าเราปฏิบัติทำไปแล้ว จิตเรามันหนักมันแน่นนะ่ะอบางคนก็จะสงสัยว่ามักจะมาถามว่าื อ, อหนูปฏิบัติแล้วมันเรียกว่าเพ่งเกินไปหรือเปล่าที่จริงถ้าเราสังเกต จ, จิตของเราดีๆนะเราก็จะเห็นเองว่าจิตกํงเราเป็นเพ่งหรือเปล่าถ้าเพ่งมันก็จะมีความหนักความแน่นความไม่สบายของ จ, จิตนั่นแหละทําไปแล้วไม่สบาย บางทีก็ทำแล้วไม่สบายกายด้วยมนะันก็ส่งผลกับกายด้วยหนึ่งทีถ้าสังเกตให้ชัดขึ้นถ้าคนที่ปฏิบัติแบบเพ่งก็คือว่ามันจะเห็นอารมณ์แค่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จดจ้องจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นอย่างเดียวไม่เรียกว่างูหัวไม่ขึ้นก็ว่าได้เนาะไปอยู่กับอาการอย่างยกมือบางคนก็เพ่งที่มือเรายกมือเราไม่ได้เห็นแค่มือนะแต่เราเห็นว่ากายกรดังเคลื่อน กายกำลังหยุดกายกำลังยกกายกำลังย่างกายกำลังเหยียบแบบนั้นเห็นเห็นกายทั้งกายแต่มันมีกิริยาของของกายที่มันเด่นชัดเช่นการกระทบการสัมผัสการยกการหยุดแบบนี้คือความเด่นชัดแต่เราไม่ได้ไปตามไปตามเอาใจไปอยู่ที่มือไม่ได้เอาใจไปอยู่ที่เท้านะไม่เอาใจไปอยู่ที่ลมถ้าทําแบบนั้นเรียกว่าทําแบบเรียกว่าบังคับใจให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทําแบบนั้นก็ อาจจะได้ทั้งสมาธิหรือถ้าคนทําไม่เป็นก็จะอึดอัดก็จะแน่นไม่ได้ทั้งสมาธิได้แต่ความอึดอัดความแน่นไปนทะี่จริงพระพุทธเจ้าพอท่านเทศบทเรื่องทางสุดตง่งสองทางคนทั่วใหญ่ก็จะเข้าใจว่ามันเป็นแค่การสุดต่งทางกายแต่จริงก็ไม่ใช่นะมันเป็นการสุดโต่งทางจิตนี่แหละที่สําคัญที่สุดก็คือการไม่จิต จ, จ, จิตของเราไม่ไปคล้องแวะกับความสุขจิตของเราไม่ไปจมอยู่กับความทุกข์ นี่แหละคือทางสุดต่งที่ท่านบอกว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีก็ไม่เอานะจะสุขขนาดไหนนะสุขขนาดไหนมันก็มีความทุกข์อยู่ในนั้นจะทุกข์ขนาดไหนนะถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราไปเป็นผู้ทุกข์มันก็ออกจากทุกข์ไม่ได้นะี่พระเจ้าท่านก็สอนตรงนี้แหละนะแ้วท่านก็สอนย้ำขึ้นไปอีกว่าที่จริงท่านสอนที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้ก็คืออริยัสสัตว์สี่นะ ถ้ามีใครถามเราว่าหัวใจของพุทธศาสนาคืออะไรนะคืออริยรรสัจสี่นี่แหละนะอริยรรสัจสี่นี่คุมทั้งหมดนะคุมทั้งหมดถึงเหตุถึงปัจจัยนะที่ทําให้คนเราทุกข์ที่ทําให้สัตว์โลกทั้งหลายทุกข์คุมถึงวิธีการที่จะออกจากความทุกข์ได้นะอริยรรสัจสี่นี่เป็นหัวใจที่สุดนะหัวใจของ พุทธศาสนาก็ว่าได้เพราะพระเจ้าท่านตัดสรู้อะไรก็คือตัสรู้เรื่องอริยสัจเนี่ยแหละคือความจริงของชีวิตเราความจริงเรื่องความทุกข์ของกายของใจนี่แหละนะตัดสรู้เรื่องความทุกข์ของกายของใจรู้เรื่องวิธีจะออกจากทุกข์ของกายของใจนี่แหละนท่านตัสรู้ตรงนี้แล้วก็มาบอกสอนเรานแต่จริงอริยสัจสี่เป็นของที่ลึกซึ้งมากลึกซึ้งมากแค่เรื่องทุกข์ตัวเดียวนี่ก็ ศึกษาไปเถอะศึกษาไปเถอะศึกษาเรื่องทุกตัวเดียวแต่มันแตกฉานทั้งหมดนะเพราะทุกพระพุทธเจ้าท่านสถุไว้นะสรุไว้ทุกคือกายคือใจของเรานี่ยแหละมันเป็นทุกแต่ตอนนี้เราจะไม่ค่อยเห็นหรอกว่ากายใจของเราเป็นทุกนะเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นทุกก็ต่อเมื่อมันกายมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันถึงเป็นทุกอหรือบางทีเราก็รู้สึกว่ากายของเรามันเป็นสุกนะมันเบามันสบายมันเป็นสุขใจของเราก็เหมือนกัน มันรู้สึกก็เป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อมันประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจประสมกับไม่ได้อย่างสิ่งที่ต้องการเนี่ยก็คือมันเลยเป็นทุกข์แต่ถ้าได้อย่างสิ่งที่ต้องการมันก็เป็นสุขเราก็จะเห็นมันก็จะเห็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะหรือเห็นอารมณ์ที่มันบางทีก็สุขบ้างทุกข์บ้างก็สลับกันไปเราก็ยังคิดว่ากายนี้ใจนี้เดี๋ยวก็สุขบ้างเดี๋ยวก็ทุกข์บ้างแต่ลองดูไปเรื่อยๆนะในความสุขมันก็มีความทุกข์ ในความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์อยู่ในนั้นเหมือนกันถ้าเรามีสตินะเราจะถอนตัวเองออกมามาเห็นว่าอ๋ออันเนี้ยมันเป็นทุกข์ของกายแต่สติพอเห็นแล้วมันมเป็นทุกข์กับกายด้วยนะอันนี้เป็นทุกข์ของจิตมันไม่เป็นเป็นทุกข์กับจิตที่มันเผลอไปคิดเผลอไปนึกเฉยๆนะมันก็เป็นการที่เราถอนตัวเองออกมาถอนตัวเองออกมาเป็นผู้เห็นเป็นผู้ดูเขา มันยังมื้อช้านี่ก็มีพระมาถามว่าท่านเป็นคล้ายๆเป็นคนเขียนการ์ตูนถ้าบอกว่าเวล า, าเขียนการ์ตูนไปนเราเราจะต้องวางใจในการฝึกในการเขียนการ์ตูนแบบไห น, นประมาณนั้นก็ บ, บอกว่าเราจะต้องเราฝึกสติไปเราจะต้องคอยไม่ว่าไปคอยกํากับกํากับจิตทุกเมา่อจิตคิดดีคิดไม่ดีเราต้องคอยกํากับจิตคอยสอนจิตแบบนั้นหรือเปล่า ไม่ใช่นะจิตของเราไม่ต้องไปคอยกากับไม่ต้องไปคอยบอกเขาเรามีหน้าที่เพียงแค่รู้เรามีหน้าที่เพียงแค่รู้เฉยเฉยรู้เห็นนะดูเขาเฉยเฉยจิตมีสตแสดงอาการอะไรต่างๆเราเป็นคนดูเฉยเฉยไม่เป็นผู้กากับไม่เป็นผู้เขียนบทไม่เป็นผู้วิาษวิจารณ์แล้วก็ไม่เป็นผู้สแสดงไม่เป็นผู้ดูที่เข้าไปอินกับตัวสแสดงด้วยเป็นคนดู ดูแบบห่างๆดูแบบห่างๆดูกายของเราแบบห่างๆดูใจของเราแบบห่างๆห่างๆ ค, ค, ค, คือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคาว่าห่างๆก็อีกอย่างหนึ่งจะเรียกว่าใจที่เป็นกลางก็ได้นะดูแบบใจที่เป็นกลางใจที่เรียกว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจนะมันเกิดขึ้นเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเหมือนคล้ายๆเหมือนเหมือนเรา รู้สึกบางทีเราก็รู้สึกนะเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับคนที่เราไม่รู้จักอะ่ะเกิดขึ้นเช่นทุกทีเราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์กับคนที่เราไม่รู้จักเลยบางทีจิตใจของเราไม่ค่อยทุกข์ไม่ค่อยสุขไปกับเขานะเราเราก็อ่านไปงั้นอ่านไปเรื่อยๆได้จิตใจเราก็ไม่ได้ไปสุขไปทุกข์อะไรกับเขามากนักอันนี้ก็เหมือนกันอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจนะที่เราว่าเป็นของเราเนี่ยแหละแต่เราจะเห็นมันห่างๆเห็นมันจะเริ่มรู้สึกว่าอ้อกายมันก็แสดง สุขให้เราเห็นกายมันก็แสดงทุกข์ให้เห็นใจก็เหมือนกันใจมันก็แสดงทุกข์ให้เห็นใจก็แสดงสุขให้เห็นเฉยพอมันเห็นนะอ้อเราเป็นผู้ดูอยู่ห่างๆดูอยู่ห่า ง, างมันไม่สุขไม่ทุกข์ไว้ด้วยเนี่ยใจที่เป็นกลางใจที่ตั้งมั่นคือตรงนี้เนาะอาการอะไรจะเกิดขึ้นไม่สำคัญนะอาการจะสุขจะทุกข์จะบวกจะลบจะดีไม่ดีไม่สาคัญสาคัญแต่ว่าใจิตใจของเรา ตั้งมั่นเป็นกลางหรือเปล่ากับสภาวะแบบนั้นนะเพราะอารมณ์เกิดขึ้นอะไรก็ไม่สำคัญแต่สำคัญว่าเราตั้งมั่นที่จะดูเขาไม่ถลำไปกับเขาหรือเปล่านะแต่บางทีก็ห้ามที่จะถลาไปไม่ได้นะอาจจะถลาไปชอบไปไม่ชอบอไปปรุงต่ออันนั้นก็บางทีก็ห้ามไม่ได้สติเราไม่แข็งแรงพอไม่มีกำลังพอก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้กลับมาให้ได้เร็ว กลับมารู้สึกตัวให้ได้เร็วเช่นลงไปบวกลงไปลบลมไปยินดียินร้ายลงไปปรุงแต่งคิดนึกตามเขาก็กลับมาให้ได้เร็ว เ, วเนี่ยคือการปฏิบัติกางปฏิบัติของเราก็มันก็จะค่อยๆปฏิบัติแล้วก็จะเห็นเห็นอาการที่มันเกิดดับของจิตเห็นอาการที่มันเปลี่ยนแปลงของกายเห็นความทุกข์ของกายของใจเห็นความที่มันบังคับไม่ได้ของกายของใจนี่แหละมันจะเห็นนะมันจะสอนนะยังมี เจ้าคุณนอนะถ้าเจ้าคุณนอท่านท่านตัดไว้ดีมากเจ้าคุณนอนี้เป็นพระในกรุงเทพนะเพราเราหลายคนรู้จักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะท่านอยู่บวชที่กรุงเทพแล้วก็ไม่เคยออกจากวัดเลยนะปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดของท่านนะท่านตัดท่านพูดไว้บทหนึ่งท่านบอกว่าพระโสดาบันคือผู้ที่เข้าไปเห็นธรรมเกิดดับนะเห็นการเกิดดับของธรรมต่างๆ พระอาหารหันต์คือผู้ที่เข้าไปเห็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับอะอย่างที่เราก็ได้สวดเมื่อกี้นะโกทัญญทันูนว่าสิงใดสิงหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดานะพระสุขพระกัญญาโกทัญะท่านเห็นเทมธรรมที่เกิดแล้วก็ดับคือเห็นว่าธรรมมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอาการของกายของใจที่มันสแสดงเห็นตั้งแต่กระบวนการการเกิด กระบวนการการตั้งอยู่กระบวนการการดับไปถ้านะก็ได้ได้ตั้งมั่นเป็นพระโสดาบันนะแต่ท่านแตคุณนอท่านบอกว่าแต่พระอรหันต์นี่คือผู้ที่เห็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับก็คือทาอะไรก็คือนิพพานนะก็คือนิพพานเห็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับนิพพานไม่เกิดไม่ดับมันมีอยู่มันคงอยู่แบบนั้นแต่จะว่ามันเที่ยงหรือเปล่าก็ไม่ใช่ แต่มันเพียงแต่ไม่เกิดไม่ดับมันมีอยู่แบบนั้นอยู่แล้วนะก็อย่าไปคิดนะบางทีเราใช้เรียกว่าใช้จิตตไม่ใช้ปั ญ, ญญาในการคิดในสภาวะที่เรายังไม่ถึงก็คิดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจหรอกก็อย่าเพิ่งคิดก็ฟังไว้เฉยๆนะอาตมาก็ฟังไว้เฉยๆหรอกอยังไม่เข้าใจเหมือนกันแต่แต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นทางซึ่งเออมันก็เรียกว่าเป็นเป็นแผนที่อ่าเป็นแผนที่ที่บอกกันไว้ว่าเออ ธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับก็มีพระอาหารหันต์คือผู้ที่เข้าไปเห็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับตรงนั้นนะธรรมะก็มีหลายหลายส่วนหลายประกอบนะเราก็ต้องเรียกว่าประเมินในการเดินทางของเรานะเดินทางต้องดูต้องประเมินตัวเองให้ได้ว่าตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนอยู่ตรงไหนนะเราต้องทำอย่างไรนะเราก็จะไปคาดบังผลที่มันเลิศเกินไปในสภาอที่บางทีเราก็ยังเดินไม่ถึงนะ ครูบาอาจารย์บางทีท่านก็ปฏิบัติธรรมผ่านมาแล้วดูเป็นของง่ายดูเป็นของเบาดูเป็นของสบายนะเราเรียกว่ายังล้มลุกคุกคานอยู่ก็ต้องล้มลุกคุกคานไปแหละนะแต่จริงการล้มลุกคุกคานเนี่ยมันทําให้เข้มแข็งนะล้มลุกคุกคานลุกขึ้นมาเองนะออท้อแล้วก็ต้องคานต่อไปเนี่ยมันทําให้จิตใจเราเข้มแข็งนะถ้าคอยแต่ถ้าท้อถ้าเหนื่อยรอแต่ครูบาอาจารย์มาโอมาปลอบ มาจมขึ้นมาเนะมันไม่ไม่แข็งแรงหรอกนะเหมือนเด็กอะที่เขาล้มทีนะถ้าพ่อแม่คนไหนไปช่วยลูกอยู่ตลอเวลานเนะ่ยลูกก็ไม่แข็งแรงหรอกอ่าพอเด็กล้มเราต้องดอยเขาลุกขึ้นมาสิลุกขึ้นมาสิาสอาคนเก่งลุกขึ้นมาสิเด็กมันก็เก่งขึ้นจริงจริงนะมันลุกขึ้นมาอมือขี่จักรยานไม่มีใครขี่แล้วไม่ล้มหรอกนะขี่ล้มหัวเข่าแตกอ่าหรือว่าบาดเจ็บกันไปบ้างแต่ล้มแล้ว ไม่เข็ดนะลมแล้วไม่เข็ดลมแล้วก็ปั่นใหม่นะปั่นใหม่แต่พาทีผู้ใหญ่บางคนนะมหาจีจะขี่จักร ย, ยานขี่มอเตอตอนโตลมข้างเดียวเข็ดไม่เอาอีกแล้วนะเป็นผู้นั่งดีกว่าแบบนี้ก็มีนะแต่เด็กจิตใจนักปฏิบัติธรรมนะต้องเป็นจิตใจเหมือนเด็กๆนะต้องใสใสนะอ่าต้องใสใสไม่ยอมแพ้มองโลกในแะง่ดีไว้นะ ว, วันนี้ล้มอยู่วันนี้ยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร มันต้องมีวันที่เข้าใจทักวันนึแหละมันต้องมีวันที่มันคงขึ้นทักวันแหละต้องจิจจตใจนักปฏิบัติธรรมทั้งแบบนั้นนะต้องมีความหวังไว้เสมอมีความหวังไว้เสมอว่าเราก็คนหนึ่งแหละครูบาอาจารย์ท่านทาได้เราก็ทําได้บ้างแหละเราต้องมั่นใจตัวเองแบบนี้แหละนะแต่ไม่ใช่ว่าไปเปรียบเทียบกับท่านเกินไป <ikes. S 2> เพียงแต่ว่าเรามีความมั่นใจลึกๆว่าเราก็คนเหมือนกันท่านก็คนเหมือนกันนะ เราก็ต้องทําให้ได้เหมือนกันวันนี้ยังทําไม่ได้แต่จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะพยายามทำให้ดีที่สุ ด, นะยายา ด, สดแต่ก็อย่างว่านะไม่ใช่ทำเพราะความอยากนะไม่ใช่ทําเพราะว่ามันความอยากแบบหน้ า, นามืดตาโม่นะจะเดินก็จะเอาให้ได้จะยกมือก็จะเอาให้ได้จะให้บรรลุทําให้ได้ในวันนี้ปีนี้ในชาตินี้นะแต่ เ, เราตั้งเป้าไว้ได้นะแต่ขณะที่ปฏิบัติก็ ขอให้วางใจสบายๆนะปฏิบัติไปดูเป้าหมายไว้เลยนะปฏิบัติไปถ้าเราไม่ดูเป้าหมายนะเราจะปฏิบัติด้วยความทุกข์เหมือนคนที่เคยทำงานมีเงินเดือนนั่นแหละนะถ้าทางานไปคิดถึงแต่ตอนไหนเงินเดือ น, นจะออกตอนไหนโบนัสจะตกแก่เราตอนไหนเจ้านาจะเห็นความดีความชอบถ้าทำงานแบบนั้นนะก็ทำไปแล้วก็ทุกไปทุกใจไปด้วยนะ แต่ถ้าเราทํางานแบบสบายๆทําไปสิน ะ, อะตอนไหนเงินเดนออกมันก็ออกของมันเองตอนไหนเขาเห็นความดีความชอบเดี๋ยวเขาก็เห็นเองนะหมือแม้แต่ชาวไร่ชาวนาก็เหมือนกันทํานาตอนดํานาถ้าไปคิดถึงว่าเมื่อใดข้าวมันจะออกออกรวมออกผลเมื่อนั้นเราก็ทุกข์แต่ถ้าเราทานาก็มีสติในการทําก็ทําอย่างเต็มที่ตั้งใจปักตั้งใจดํานาอย่างดีนะตั้งตจ อถอนหญ้าตั้งใจใส่ปุ๋ยก็ทำไปทีละขณะทีละขณะถือรวงเดาผลของน้ำก็จะออกขึ้นมาเองนะการปฏิบัติธรรมก็เรียกว่ามันมีผลของการปฏิบัติสมควรแก่ผู้ปฏิบัติอยู่แต่เราก็ต้องวางใจให้ถูกก่อนก็คือว่าอย่าไปตั้งเป้าอย่าไปคาดหวังตัวเองจนตั้งเครียดเนาะทำไปะทําทแบบเครียดเียดนะอย่าทเพราะว่าหวังผล แต่ให้ทําแบบสบายๆนะธรรมะนะหรือการปฏิบัติทำถ้าทําแบบสบายๆมันจะเห็นผลได้ชัดเจนแต่ถ้าทําไปแบบเอาจริงเอาจาังเกินไปเครียดเกินไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นผลนะผลของการปฏิบัติของเราก็จะเรียกว่ามันก็จะมีแต่เครียดกับไม่เครียดแค่นั้นนหะนะเดี๋ยวก็เครียดแต่ส่วนใหญ่มันจะเครียดจะมากกว่าพอเลิกปฏิบัติก็เลยเลิกเครียดไปนิดนึงแต่พอปฏิบัติแล้วก็เครียดขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะ ในเฟนี้เด็กว่าตั้งใจเกินไปเพ่งเกินไปนะตั้งวางใจสบายๆไม่ต้องหวังผลอะไรมากแค่รู้สึกตัวครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นผลของการปฏิบัติแล้วนะเหมือนเราหายใจเข้าครั้งหนึ่งอุ้มรู้สึกสบายใจนะรู้สึกอิ่มเบิกบานขึ้นออกซิเจนมาสูดเข้าไปในร่างกายมันก็สดชื่นขึ้นแบบนั้นก็เหมือนกันเรารู้สึกตัวครั้งหนึ่งนะจิตใจเราก็เบาก็โปรกก็ร่องสบายแล้ว แต่บางทีก็จะมีความหลงเข้ามาแทรกหลายขณะบ้างก็ไม่เป็นไรคงรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่รู้สึกตัวขึ้นมาใหม่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกตัวเองก่อนนะไม่เป็นไรนะตลงไปก็ไม่เป็นไรยังมีโอกาสรู้อยู่ได้เหมือนกันแหละนะเรามีโอกาสที่จะรู้อยู่นะเผลอไปก็ไม่เป็นไรมีโอกาสที่จะกลับมารู้สึกตัวได้นะแต่จะ่าผลอนานอย่าหลนานก็แค่นั้นนะตั้งใจไว้ให้ถูกก่อน ถ้าเราตั้งใจไว้ถูกนะการปฏิบัติธรรมเราก็จะง่ายนะก็ไม่ยากเกินไปหรอกไม่พ้นวิสัยมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสได้มาบวชเป็นพระเป็นชีหรือมาอยู่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากมีโอกาสได้เข้าตรงถึงแนวทางสติปัฏฐานซึ่เป็นทางตรงก็ว่าได้นะที่จริงสติปัฏฐานเนี่ยเป็นการได้ว่ารวบยอด รวบญอดของมรคองคที่เรียกว่ามรคมีองค์แปดเลยก็ว่าได้นะมรคมีองค์แปดนี่เราจะไม่ไม่ต้องจําให้ได้เรากม็มีอะไรบ้างแต่จริงแค่เราเจริอสติดูกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันเป็นการเจริญมรคมีองค์แปดทั้งหมดเลยนะแล้วมรคมีองค์แปดนี่แหละมันจะทําให้แจ้งแจ้งอริยสัจอีกสามข้อได้นะแจ้งเรื่องทุกข์แจ้งเรื่องอะไรทําให้เกิดเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ แจ้งถึงผลของการที่ปฏิบัติแล้วไม่ทุกนะตัวมรรคเนี่ยมันจะค่อยๆแจ้งขึ้นมาทีะ่ะนักเที่ยน้อยเนาะแต่ก็คงแจ้งเป็นทีละลําดับนะทีละขั้นทีละตอนก็คงไม่แจ้งทั้งหมดแต่ธรรมาก็เข้าใจนะเข้าใจว่ามันจะค่อยๆแจ้งค่อยๆสว่างขึ้นคงเหมือนคล้า ย, ายดวงอาทิตย์อะดวงอาทิตย์ตอนนี้หลายคนหรือบางคนก็อาจจะมืดอยู่แต่สักวันถ้าเราปฏิบัติไป เดีพอใกล้รุ่งใกล้ๆหกโมงเช้าเดีพระอาทิตย์มันค่อยๆส่องแสงสว่างขึ้นปัญญาของเราก็เหมือนกันปัญญาของเราเดี๋ยว ก, ก็ค่อยๆส่องแสงสว่างขึ้นตอนเช้าๆก็อาจจะเสีัวมัวๆสักหน่อยแต่พอพระอาทิตย์เครืสูงขึ้นก็เปรียบเหมือนปัญญาของเราที่มีมากขึ้นความสว่างสวัยในการเข้าใจธรรมะมันก็จะค่อยๆปรากฏจำชัดขึ้นในจิตในใจของเราเนาะ ก็คงไม่ไมียากเกินไปไม่พ้นวิสัยของพวกเราที่จะทําได้เนาะยังก็ขอให้พวกเราได้ตั้งใจศึกษาปฏิบัติไปอาศัยคนอื่นเป็นกัญญาณมิตรนะอาศัยเพื่อนครูบาอาจารย์เป็นกัญญาณมิตรนะอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยเพื่อนเป็นครูสอนเราด้วยเหมือนกันนะบางทีก็มีบางคนก็ทําถูกก็เป็นครูสอนเรา ทำผิดก็เป็นครูสอนเราได้เหมือนกันนะอย่าไปเอาผิดเอาถูกกับคนอื่นเลยนะอย่าไปเอาผิดเอาถูกคนอื่นนะบางทีเข้าหลงไปก็เรียกว่าอย่าไปถือโทษโกรธเคืองกันให้อยู่ด้วยกันอย่าง เ, าเรียกว่าเป็นมิตรกันนะเป็นมิตรกัน เ, เขาหลงไปบ้างก็จะไปโกรธเขามีแต่ว่าเออให้ภัยไม่เป็นไรเขาหลงไปนะ เ, เราก็จะไปหลงตามเขานะ หรือถ้าเขาทําดีแล้วก็เขามาเป็นแบบอย่างมาเป็นกําลังใจในการสอนตัวเองหรือถ้าเพื่อนเราดลงไปเราก็ควรตักเตือนกันด้วยความปรารถนาดีนะพูดกันด้วยความปรารถนาดีจิตใจดีๆวาจาดีๆปรารถนาดีบอกกันสอนกันเนาะให้ถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งเส้นจริงๆนะอย่างที่เราแผ่เมตตาน ะ, ะตว์ทั้งหลายนะไม่ใช่สัตว์แค่ตในในัดโดยใจชั่น มนุษย์ก็เป็นสัตว์เหมือนกันนะบางทีเราสงสารนะบางคนโอ้รักหมารับแมวสงสารหมาสงสารแมวแต่ไม่สงสารคนอรักโกรธโกรที่คนมารังแกลหมาของตัวเองแต่ไม่แต่ไม่สงสารไม่สงสารคนที่เขาลังแกล์เขาก็ทุกเหมือนกันนะเราต้องเป็นเปย์เมตตาให้มเมตตาแบบอั ป, ปมาณนะอั ป, ปมาก็คือว่ากว้างใหญ่ไพยสารจริงๆทั้งเพื่อนมนุษย์ทั้งเพื่อนสัสตว์ ที่มองเห็นก็ดีที่มองไม่เห็นก็ดีนะ<_ <EN> _>เขาก็ทุกข์เหมือนกันแหละเราก็ทุกข์เขาก็ทุกข์แต่ทยังไงนอถึงจะพากันออกจากทุกข์ได้นะเนี่ยต้องถ้าจะคิดก็คิดแบบนี้คิดที่ช่วยเหลือกันนะคิดที่จะช่วยเหลือกันด้วยความปรารถนาดีจริงๆไม่ได้วังผลตอบแทนนะคิดที่จะช่วยเหลือกั น, ค, น, น, น, นนะคิดที่จ ะ, จะพากันออกจากทุกข์บอกทางที่ดีหรือไม่มีหน้าที่ที่จะบอกไม่มีโอกาสที่จะบอก ก็ทําดีๆน่ะให้เขาเห็นเดี๋ยวเขาก็สะกิดใจเองแหละทำไมาคิดว่าบางทีคําพูดก็มีค่าเหมือนกันแหละแต่การกระ ท, ทําที่ที่ดีๆน่นะมีค่ายิ่งกว่าคําพูดนะการกระ ท, ทําที่เรียกว่าถูกต้องที่ดีงามเนี่ยมีค่าหรือส่งผลมากกว่าคําพูดเป็นร้อยพันเป็นร้อยคําพันคําก็ว่าได้นะก็ให้พวกเราได้เป็นกระเด็นมิตรกันอาตมาก็ ขอเป็นกันนิมิตด้วยนาะก็เป็นกันนิมิตก็ขอบอกกล่าวในบางขนาดที่มีโอกาสเราก็บอกกล่าวอาตมาได้เหมือนกันนะถ้ามีในที่มันไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีไม่งามก็บอกกล่าวกันได้ถือว่าให้เป็นเพื่อนร่วมเดินทางสู่ความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทิน